ก่อนที่จะแสดงวัธรรมเทศนาอยากจะขอความกรุณาจากญาติโยมที่มีเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถตั้งอยู่ในความสงบอยู่ในความเงียบได้ช่วยกรุณาพาเด็กออกไปนั่งข้างนอกออกไปเล่นข้างนอกก็จะได้ไม่รบกวน ความสงบของผู้ที่กำลังฝังมเทคควาธรรมและผู้แสดงธรรมด้วยถ้านั่งอยู่ด้วยความสงบ ก, ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้านั่งนิ่งไม่ได้อยากจะพูดหรืออยากจะเล่นก็ขอความตรนณาช่วยพาไปนั่งเล่นข้างนอกเพราะว่า การแสดงธรรมหรือการฟังธรรมนี้ต้องอาศัยความสงบถึงจะได้รับประโยชน์คือสงบกายสงบวาจาและสงบใจสงบกายกับวาจาเรียกว่าสีลสงบใจเรียกว่าสมาธิ ถ้ามีมีสีน์มีสมาธิเวลาฟังเทศฟังธรรมก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาดังนั้นเวลาที่ฟังเพื่อให้เป็นมงคลแก่ชีวิตดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่ากาเลนะธรรมัสบวนังเอตัมมังกลมุตตมังการฟังธรรมตามกาลตามเวลา เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตเือเป็นความสุขและเป็นความเจริญแก่ชีวิตของเราถ้าฟังด้วยความไม่สงบใจของเราก็จะไม่ได้รับพระธรรมคำสอนเข้าไปสู่ใจเข้ามาที่หูแล้วก็ออกไปอีกข้างหนึ่งของหูเรียกว่าเข้าหูซ้ายออกหูขวา นั่งฟังไปก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเพราะไม่รู้เรื่องเพราะใจไม่ได้ตั้งใจฟังใจมัวแต่ไปคิดไปทำเรื่องอื่น <c oughs> ก็เหมือนกับเวลาที่เราไปรองน้ำใส่กระป๋งแล้วเราไม่ได้หงายกระป๋งขึ้นมาเราคว่ำกระแป๋งไว้แล้วก็เปิดกอ๊อกให้น้ำไหลลงไปในกระแป๋ง ต่อให้เปิดไปหมดแท้งหมดถังน้ำก็จะไม่มีอยู่ในกระแป๋งแม้แต่หยดเดียวเพราะไม่ได้หงายกระป๋งไว้รองรับนั่นเองใจของเราก็เป็นเหมือนภาชนะที่จะรองรับธรรมะพระธรรมคำสอนอันประเสริฐอย่างยิ่งเพราะมีคุณประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจ ของพวกเรายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะช่วยจิตใจของเราให้ได้รับความสุขให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละที่จะทำได้จะช่วยเราได้แต่จะช่วยเราได้ก็ต่อเมื่อ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เข้าไปสู่ในใจของเราเปลี่ยนเหมือนกับยาต่อให้ยาจะมีคุณวิเศษขนาดไหนก็ตามถ้าไม่ได้เข้าสู่ร่างกายของเรายานั้นก็ยังไม่สามารถทําประโยชน์ให้แก่ร่างกายของของเราได้พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้จะมีคุณวิเศษอย่างยิ่งแต่ถ้าไม่ได้น้อมเอาเข้าสู่ใจก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่จิตใจวิธีน้อมเข้าสู่จิตใจก็คือวิธีน้อมด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยสตินี่คือองค์ประกอบสามส่วนที่จะนำใจเข้าสู่นำพนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เข้าสู่จิตใจของเราได้ดังนั้นการเวลาที่มีการแสดงธรรมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสงบสงบกายสงบวาจาและสงบใจ mm hmm. ไม่ควรไปทำกิจอย่างอื่นเมื่อมีเวลาเมือ่อเมื่อกำลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ ถ้าจำเป็นจะต้องทำกิจอย่างอื่นก็ควรที่จะออกจากถานที่นั้นไปเพราะจะได้ไม่ไปทำลายความสงบของผู้ใจของเรานี้ส่วนใหญ่แล้วยังไม่มีความหนักแน่นยังไม่เป็นเหมือนก้อนหินยังเป็นเหมือนปุยนุ่นอยู่เวลาอะไรมาสัมผัสมากระทบเพียงเล็กน้อย ก็จะปลิวตามไปแต่ถ้าใจเป็นใจที่มีความหนักแน่นเหมือนเห็นแล้วอย่างนั้นไม่เป็นไรจะไม่ค่อยปลิวไปตามอารมณ์ที่มากระทบไม่ว่าจะมาทางตาก็ดีทางหูก็ดีหรือทางใจก็ดีจะไม่ไหลาตามไปจะไม่ปลิวตามไปจะอยู่ในปัจจุบัน จะอยู่รับรู้กับเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือเป็นรูปก็ตามจะรู้อยู่ได้ทุกขณะเพราะใจที่มีความหนักแน่นนี้ก็คือใจที่มีสมาธินั่นเอง <Yeah. S 1> และเมื่อมีศีลมีสมาธิแล้วพอฟังเทศฟังธรรมก็จะเกิดความเข้าใจและสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟัง ดังที่เคยเป็นมาในสมัยพ ร, พระพุทธการพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในแต่ละคำนั้นมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆกันเป็นจำนวนมากต่างกับสมัยนี้ที่มีการแสดงข้อธรรมเทศนาแต่ไม่ค่อยมีการบรรลุกันต่างกันตรงที่ผู้ฟังนี่แหละ เพราะพระธรรมคําสอนก็เป็นพระธรรมคําสอนอันเดียวกันแต่ผู้ฟังนี้ไม่มีศีลไม่มีสมาธิเหมือนกับผู้ฟังในสมัยพระพุทธกาลดังนั้นการบรรลุธรรมขั้นต่างๆจึงไม่ปรากฏขึ้นในสมัยปัจจุบันเพราะไม่รู้ว่าฟังเทสไปเพื่ออะไรบางทีคิดว่าฟังเทสไปเพื่อ เป็นกุศลสำหรับพบหน้าชาติหน้าแต่ความจริงแล้วมันเป็นกุศลเพื่อปัจจุบันเพื่อในขณะนี้เวลานี้ถ้าตั้งใจฟังแล้วจะเกิดความเข้าใจจะได้รับอนิสงฆ์ห้าประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ส, สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วถ้าได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้นไป 3. จะทำให้หายความสงสัยได้ผจัดความสงสัยในเรื่องต่างๆได้ 4. จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้อง 5. จะทำให้จิตใจของใส มีความสงบมีความสุขนี่คืออานิสงส์ทั้ง5ประการที่เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่จิตใจของเราจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้าเราฟังด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยสติอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นพอใจไปคิดถึงเรื่องอื่นปั๊บสิ่งที่กําลังได้ยินอยู่นี้ก็จะไม่เข้ามาในใจเลย เช่นตอนนี้ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นปับ๊บใจก็ววบไปที่เสียงโทรศัพท์นั้นแล้วแล้วขณะที่กำลังฟังอยู่ก็จะไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรอยู่ดังนั้นขอให้เราพยายามทำความเข้าใจและเตือนเราอยู่เสมอว่าเวลาเราฟังเทศฟังธรรมกันเราควรตั้งอยู่ในความสงบ ถ้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นนาฬิกาปลุกหรือโทรศัพท์มือถือก็ควรที่จะปิดไม่ควรให้เขาส่งเสียงดังขึ้นมาจะเป็นการเสียมารยาทและเป็นการประจานความโง่ของตนเองให้แก่ผู้อื่นเขาสมเพศเวทนาไม่ได้เป็นความจลา หรือเป็นความโกรู้เลยที่มีโทรศัพท์มือถือเป็นสมบัติของตนถ้ายังคิดว่าเป็นเรื่องโกรู้อยู่ก็แสดงถึงความหลงที่หนาทึบบทวังไม่เห็นถึงคุณถึงสิ่งที่มีความโกรู้ที่แท้จริงนั่นก็คือการมีปัญญาการมีความฉลาดที่รู้ทันกิเลส ความโลภความโกรธความหลงของตนที่รู้ทันกับการสร้างความทุกข์ของกิเลสและสามารถป้องกันหรือดับความทุกข์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาในจิตในใจได้เลยทุกวันนี้ความทุกข์ของเรานไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของเราและก็ไม่มีใครสร้างความทุกข์ให้แก่เรา มีแต่เราที่กำลังสร้างความทุกข์ให้แก่เราอยู่คนอื่นเขาจะทำอะไรจะดีจะชั่วอย่างไรถ้าเราไม่ไปเอาเข้ามาเป็นอารมณ์แล้วก็จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างไดเขาจะด่าเราอย่างไรเขาจะทำร้ายเราอย่างไรถ้าเราไม่เอาเข้ามาใส่ใจเราไม่เอามาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเราแล้ว มันก็ไม่สามารถทำอะไรใจเราได้แต่ใจเราไม่ฉลาดใจเราไม่รู้ว่าเรากำลังเอาไฟเข้ามาเผาใจของเรากำลังเอาความทุกข์เข้ามาเผาใจของเราด้วยความไปยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆที่เราเห็นหรือได้ยินหรือได้สัมผัสพอเห็นอะไรขึ้นมาก็เกิดความดีใจหรือเสียใจขึ้นมาทันที กอเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาความดีใจนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเพราะเวลามันหมดไปมันก็จะทำให้เราเสียใจได้ก็จะทำให้เราต้องตะเกียกตะกายหาสิ่งต่างๆที่สร้างความดีใจให้กับเราอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่สามารถอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่ในความสงบได้ แล้วถ้าหาในสิ่งที่เราอยากได้ไม่ได้ก็จะเกิดความเสียอกเสียใจเกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองกับคนที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นไม่ให้เราได้สิ่งที่เราชอบถูกอกถูกใจเช่นเราอยากจะแต่งงานกับคนคนนี้แต่พ่อแม่เราเขาไม่เห็นด้วย เราก็จะโกรธเกียดพ่อแม่ของเราขึ้นมา ท, าทันทีทั้งๆ ท, ที่พ่อแม่นั้นเป็นคนที่มีพระคุณกับเราอย่างมากเป็นคนที่เรารักที่รักเรามากที่สุดในโลกไม่มีใครจะรักเราเท่ากับพ่อแม่ของเราและการที่เขาไม่เห็นด้วยเพราะเขามีประสบการณ์ดีกว่าเราเขารู้จักดูคนออกเหมือนกับคนที่รู้จักดูผลไม้ รู้ว่าผลไหนมันเน่าผลไหนมันไม่เน่าเพราะมีประสบการณ์ผ่านมาแล้วเคยเจอของเน่ามาแล้วยึงไม่อยากให้ลูกจะได้ไปเจอของเน่าอีกนั่นเองแต่เพราะความอยากของลูกที่มีอยู่มากมายเต็มหัวใจจนปิดบังสติปัญญาให้เห็นถึงความปารธนาดีถึงความรักของพ่อของแม่ และประสบระการณ์ของพ่อของแม่ที่ผ่านมาจึงทำให้โกรธพ่อโกรธแม่ขึ้นมาได้หรืออาจจะหนีพ่อหนีแม่ตามไปอยู่กับคนที่ตนอยากจะอยู่ด้วยแล้วไม่นานก็จะต้องน้ำตาตกไงกลับมาหาพ่อหาแม่ตามลำดับต่อไปเมื่อเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้เราคิดว่าเขาจะให้ความสุขกับเรา แต่อยู่ไปอยู่ไปไม่นานกับมีแต่ความทุกข์ป้อนให้เราอยู่ทุกวันจนเราทนอยู่ไม่ได้หรือไม่เชนนั้นเขาก็เกิดความเบื่อหน่ายเราขึ้นมาแล้วก็ทิ้งเราไปก็ได้นี่แหละความอยากมันเป็นอย่างนี้มันจะพาให้เราเกิดความโกรธเกิดความเกลียดขึ้นมาความยินดี ดังนั้นเราจึงไม่ควรยินดีและไม่ควรยินร้ายกับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มาสัมผัสเพราะมันจะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราถ้าเรายินร้ายเราก็จะอยู่กังวลอยู่อย่างกังวลกวายอยู่อย่างกระสับ ก, ก, กระสายถ้าเราจะต้องไปนั่งอยู่ใกล้ๆกับคนที่เราไม่ชอบอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะมีความรู้สึกทรมานใจ ทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ที่คนที่เราไปสัมผัสรับรู้แต่อยู่ที่ใจของเราไปมีความยินดียินร้ายกับเขาเท่านั้นเองถ้าเราฝึกใจของเราให้อยู่เป็นกลางอยู่ระหว่างความไม่ยินดียินร้ายทำใจให้สงบให้นิ่งใจจะเป็นอุเบกขาจะไม่ยินดีไม่ยินร้าย เวลาได้ยินอะไรได้ฟังอะไรได้สัมผัสอะไรจะรู้สึกเฉยเฉยจะไม่เดือดร้อนหรือถ้าว่ากำลังของสมาธิไม่พอที่จะระ ง, งับความยินดียินร้ายได้เราก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องมาระ ง, งับดับเราต้องเปรียบเทียบคนที่เรายินดียินร้ายว่าต่างกันอย่างไร เขามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันไม่ใช่หรือเขามาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันไม่ใช่หรือเขาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ใช่หรือแล้วเราจะไปหลงว่าเป็นว่าดีว่าชั่วได้อย่างไรเราจะไปหลงยินดียินร้ายได้อย่างไรในเมื่อของทั้งสองสิ่งหรือคนทั้งสองคนนี้เหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย พอเราใช้ปัญญาแล้วใจของเราก็จะปล่อยวางได้ใจของเราก็จะถอนออกจากความยินดียินร้ายได้จะไม่รู้สึกอะไรกับคนที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วจะไม่เป็นปัญหาอะไรกับใจ เพราะใจมองทะลุถึงความแท้จริงของคนเหล่านั้นที่มีความเหมือนกันก็คือเห็นความเป็นธาตุสี่ดินน้ำล้ไฟเห็นว่าเป็นเพียงอาการส2สองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่คือปัญญาเราต้องมองอย่างนี้ เมื่อเรามองอย่างนี้แล้วใจของเราจะไม่วุ่นวายกับคนที่เรารู้จักหรือมีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องด้วยแต่เราไม่มองกันอย่างนี้เราจะมองว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาของเราพอเขาเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วพอเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราก็กะวนกระวายกระสับกระสาย กินไม่ได้นอนไม่หลับขึ้นมาแต่คนอื่นที่เราไม่ได้ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเขาจะเป็นจะตายอย่างไรเราไม่เห็นเดือดร้อนเลยดังนั้นปัญหาอยู่ที่ว่าเราไปเห็นว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วไปหลงยึดติดกับความเห็นของเราว่าเขาเป็นอย่างนั้นว่าเขาเป็นอย่างนี้เราไม่เห็นความจริงของเขา ว่าเขาเป็นเพียงก้อนดินน้ำลมไฟเท่านั้นว่าเขาเป็นร่างที่เกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่มีความยินดียินร้ายกับร่างกายของคนเหล่านั้นเรื่องของการมีความสัมพันธ์ต่อกันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเป็นสามีเป็นภรรยาก็เป็นเรื่องหนึ่ง เราก็มีวิธีปฏิบัติต่อเขาให้เหมาะสมเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องมีความเคารพมีความรักมีความกตัญญูกตเวทีเป็นสามีเป็นภรรยาก็ต้องมีคานเมตตาต่อกันดูแลกันช่วยเหลือกันไม่ทอดทิ้งกันแต่ไม่หวงไม่หวงกันเพราะมันหวงไม่ได้หวงไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าจะแก่จะเจ็บจะตายเมื่อไหร่นั่นเองจะต้องกลับไปเป็นดินน้ำลมไฟอีกเมื่อไหร่อย่างนี้เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เราหยุดไม่ได้เราจะไม่ต้องไปทุกข์ไปกังวลกับการเป็นไปของเขาเขาต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาตามบุญตามกรรมของเขาบางคนก็อยู่ยาวมีอายุยืนยาวนาน บางคนก็ตายเร็วบางคนก็อยู่อย่างสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงบางคนก็อยู่ไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องของบุญของกรรมเรื่องของการกระทำของเขาเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาทำอย่างที่เราต้องการให้เขาทำได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะวุ่นวายใจ เราก็ต้องมีธรรมะมาคอยสอนใจมีปัญญามาคอยสอนใจมีสมาธิคอยดึงใจไว้ให้ตั้งอยู่ในความสงบให้อยู่เป็นกลางเป็นอุเบกขาไม่ไปยินดียินร้ายจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราฟังเทศฟังธรรมอย่างถูกต้องคือฟังด้วยความสงบกายสงบวาจาและสงบใจ อย่างที่พวกเรากำลังฟังกันอยู่ในขณะนี้ฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจรู้แล้วว่าความทุกข์ทั้งหลายความวุ่นวายใจทั้งหลายนั้นไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราเองคนอื่นมาทำให้เราวุ่นวายใจไม่ได้ทำให้เราทุกข์ไม่ได้ถ้าเราไม่ไปหลงตามเขาพอเขาเราไม่ต้องไปเต้นตามเขา เวลาเขาเริ่มเล่นดนตรีขึ้นมาเราไม่ต้องไปเต้นกับเขาเรานั่งอยู่เฉยๆก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ใจของเรามันอยู่เฉยไม่เป็นนั่นเองพอเขาขึ้นเพลงขึ้นมาปั๊บก็กระโดดโล ด, ดเต้นตาม ท, าทันทีพอใครพูดอะไรขึ้นมาก็เกิดอารมณ์ตามขึ้นมา ท, าทันทีพอใครทําอะไรก็เกิดอารมณ์ตามขึ้นมาทันทีเพราะใจเราไม่มีสมาธิ ไม่มีปัญญาไม่มีสติคยควบคุมดูแลรักษาให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ตั้งอยู่ในความนิ่งถ้าเรามีความสงบมีความนิ่งแล้วเราจะมีความสุขอย่างมากเราจะไม่หิวไม่อยากได้อะไรเวลาเราเห็นอะไรเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไร ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขและไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเราต้องพยายามสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาด้วยสติสตินี้เป็นตัวที่จะทำให้ใจสงบเป็นตัวที่จะทำให้ใจสามารถฟังเทศฟังธรรมและพิจารณาธรรมะเพื่อนำมาใช้ อบรมสั่งสอนจิตใจให้ฉลาดให้รู้ทันกับความโง่เขลาของตนเองดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องพยายามเจริญสติอยู่เสมอไม่ว่าเราจะทําอะไรให้เรามีสติอยู่กับการกระทํำของเรากําลังทําอะไรก็ให้อยู่กับการกระทำเช่นกําลังฟังเทศก็ให้อยู่กับการฟังเทศ ถ้าอยู่กับการฟังเทศก็เรียกว่ามีสติอยู่กับการฟังถ้าฟังเทศแล้วไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติหรือถ้าจะคิดก็ต้องมีสติอยู่กับการคิดต้องรู้ว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่คิดดีคิดชั่วคิดถูกคิดผิดถ้าคิดแล้วไม่รู้ว่ากําลังคิดอะไรอยู่ก็ถือว่าไม่มีสติอยู่กับความคิดเช่นเดียวกันคิดแล้วก็ ทำให้ร้องหย่ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจยขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าคิดแบบไม่มีสติแล้วคิดแล้วก็โผล่รอบไปคนเดียวอย่างนี้ก็ถือว่าคิดแบบไม่มีสตินั้นกันถ้าคิดแบบมีสติจะต้องรู้ว่าเป็นความคิดอะไรดีหรือไม่ดีอย่างไรดีก็ก็คิดต่อไปถ้าไม่ดีก็ระงับความคิดนั้นเสีย อย่างนี้เรียกว่าการมีสติอยู่กับการฟังหรือที่เรียกว่าการดูจิตนั่นเองการดูจิตนี้ก็คือให้ดูความคิดของเราแล้วก็ให้ระงับความคิดของเราให้ได้อย่าปล่อยให้มันคิดื่อยตัวเองเพราะคิดไปแล้วก็จะมีอารมณ์ต่างๆตามมาจะทำให้เหนื่อยอกเหนื่อยใจทำให้ว้าวุ่นขุ่นงัวขึ้นมาได้แต่ถ้าดับความคิดได้ มีสติดูความคิดของเราพอคิดปั๊บก็บอกหยุดคิดไม่ให้คิดถ้าเราหยุดความคิดได้แล้วใจของเราจะว่างจะโล่งจะเย็นจะสบายแต่ส่วนใหญ่แล้วใจของเราไม่เคยว่างเลยมีแต่ความคิดอยู่ตลอดเวลาคิดจนกระทั่งกลายเป็นคนบ้าไปก็มีคนเราที่บ้านนี้ไม่ได้บ้าเพราะอะไรก็บ้าเพราะความคิดของเรานั่นเองคิดแบบไม่มีสติ คอยยับยังคิดไปจนสับสนวุ่นวายไปหมดคิดไปจนไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรหรือไม่ควรจะทำอะไรก็เลยกลายเป็นคนเสียสติกลายเป็นคนบ้าไปดังนั้นการมีสตินี้จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อการกระทาสิ่งต่าง ที่จะเกิดคุณเกิดประโยชน์ขึ้นมาจะทำบุญให้ทานวันนี้ก็ต้องมีสติถึงจะทำได้ต้องรู้ว่ากำลังทำอะไรกำลังเอาเงินของใครมาทำบุญถ้าเอาเงินของคนอื่นมาทำบุญอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีสติแล้วการทำบุญนี้ต้องใช้เงินของเราเองเอาเงินของคนอื่นมาทำบุญนี้ไม่ได้บุญมันเป็นเงินของคนอื่นเขาต้อง ทำบุญด้วยของของเราเองด้วยเงินของเราเองถ้าเราไม่มีเงินไม่มีของก็ไม่ต้องทําทําอย่างอื่นได้รักษาศีลได้รักษาศีลนี่สําคัญกว่าการทําบุญให้ทานการทําบุญให้ทานนี้ไม่สําคัญเท่ากับการรักษาศีลเพราะถ้ารักษาศีลได้จะไม่ต้องไปตกนรกจะไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้ารักษาศีลไม่ได้ต่อให้ทํา ต่อให้ทำบุญหมดไปเป็นแสนเป็นล้านก็ยังไปตกนรกได้ยังไปเกิดในอบายได้เพราะการทำบุญให้ฐานนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะยับยั้งการไปเกิดในอบายนั่นเองเหตุที่จะยับยั้งการไปเกิดในอบายก็คือการรักษาศีลต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัวเรณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายา ถึงจะสามารถป้องกันไม่ให้ใจไปเกิดในอบายได้แต่จะต้องรักษาได้ทุกลมหายใจเข้าออกและทุกกรณีถึงแม้จะต้องเสียชีวิตไปเพื่อการรักษาสินก็ยอม ก, ก็ยอมเสียชีวิตดีกว่าเสียเสียสินอย่างที่มีสุภาษิตของของลูกเสือที่พูดไว้ว่า เสียชีพดีกว่าเสียสละนี่แหละคือความหมายของการที่จะป้องกันไม่ให้จิตใจของเราตกต่ำไม่ให้ไปเกิดในอบายต้องรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตของเราถ้ายังเสียดายชีวิตมากกว่าศีลแล้วก็ทำผิดศีลไปถึงแม้จะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่พอตายไปแล้วก็จะต้องไปใช้ กรรมในอบายต่อไปแต่ถ้ายอมตายเพื่อรักษาศินเวลาตายไปแล้วไม่ต้องไปเกิดในอบายไปสวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปพระนิพพานได้เลยอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การปฏิบัติของเราและการที่เราจะรู้สิ่งเหล่า น, นี้ได้ก็อยู่ที่การได้ยินได้ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอ ไม่ได้ฟังเฉพาะวันนี้เท่านั้นควรจะฟังอยู่เรื่อยๆถ้าฟังได้ทุกวันยิ่งดีใหญ่วันหนึ่งฟังเทศสักครั้งหนึ่งก่อนนอนก็ได้หรือตื่นขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ฟังเทศฟังธรรมไปมเพื่อจะได้มีคติเตือนใจ<ม>เพื่อจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไร<ม>ถ้าไม่ฉะนนั้นแล้วเราจะมีแต่กิเลสคอยกระซิบเราอยู่ตลอดเวลา ให้เราไปหาสิ่งนั้นไปหาสิ่งนี้ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งต่างๆที่กิเลกระซิบให้เราไปหานั้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันอยู่นี่เราทุกข์กับอะไรก็ทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาหามาไม่ใช่หรือเวลาเราอยู่คนเดียวเราไม่ต้องทุกข์กับสามีไม่ต้องทุกข์กับภรรยาพอเราแต่งงานแล้วทีนี้เราก็ต้องทุกกับสามีทุกกับภรรยาทุกกับลูก นี่แหละเป็นความหลงที่เราไม่รู้กันเราไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นมีคนจะลาอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ท่านั้นที่ท่านรู้ว่าเป็นความทุกข์ท่านจึงตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปหมดท่านไม่มีอะไรเลยเคยมีภรรยาก็เลิกกับภรรยาเคยมีลูกก็ให้คนอื่นไปขออยู่คนเดียวเพราะไม่อยากจะแบกความทุกข์นั่นเอง จะรู้อย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆและต้องมีเทศมีคำสอนคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆวันนี้เราฟังแล้วพอเราออกจากที่นี่ไปอย่าโยนทิ้งใส่ทังขยะไปขอให้เราลำลึกอยู่เรื่อยคิดอยู่เรื่อยเพื่อให้มันจดจําให้ได้ถ้าเราไม่คิดไม่พิจารณาอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็จะลืมพอลืมแนละ้วเราก็จะถูกกิเลส หลอกให้เราไปหาความทุกข์เข้ามาอีกนี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเรื่องของอนิสงส์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมถ้าเราฟังด้วยความสงบกายสงบวาจาและสงบใจจึงขอให้ท่านจงทำความเข้าใจให้ถูกต้องทุกครั้งเวลาที่ท่านฟังเทศฟังธรรมพยายามตั้งอยู่ในความสงบถ้าไม่ สามารถตั้งอยู่ในความสงบได้ก็ขอให้ปลี่ตัวออกไปจากสถานที่นั้นเถิดเพื่อจะได้ไม่เป็นการสร้างบาปสร้างกรรมให้แก่ตนเองและแก่ผู้การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอบุญกุศลที่ท่านได้มาบันเทิงกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวรนะสุขะภละโดยทั่วหน้ากันเธอ